พุทธประเพณีอันการที่พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทั้งหลายทรงปราศัยกับพระอาคันตุกะทั้งหลายนั่นเป็นพุทธประเพณีลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสถามท่านพระอุปเสนวังคันตบทว่าอุปเสนะเธอทั้งหลายยังสบายดีหรือยังพอเป็นอยู่ได้หรือเดินทางมาโดยแม่ลำบากหรือท่านพระอุปเสนวังคันตบุตรกราบทูลว่าสบายดีพระพุทธเจ้าข้า พอเป็นอยู่ได้พระพุทธเจ้าข้าข้าพระพุทธเจ้าเดินทางมาโดยแม่ลําบากพระพุทธเจ้าข้าขณะนั้นภิกษุสัตว์ที่วิหาริกของท่านพระอุปสีนวังคันตบด์นั่งอยู่ไม่ห่างพระผู้มีพระภาคตรัสถามภิกษุนั้นว่าภิกษุผ้าบางสุกุลของเธอน่าพอใจหรือภิกษุนั้นกล่าวทูลว่าผ้าบางสุกุลของข้าพระพุทธเจ้าไม่น่าพอใจพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรสถามว่าภิกษุ แล้วทำไมเธอทรงภาพบังสุขุลเล่าภิกษุนั้นกราบทูลว่าพระอุปชาของข้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงผ้าบังสุขุลแม้ข้าพระพุทธเจ้าก็ต้องเป็นผู้ทรงภาพบังสุขุลตามพระพุทธเจ้าข้าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสถามท่านพระอุปเสศน์วังคันตบุตรว่าอุปเสนะบริษัทนี้ของเธอน่าเลื่อมใสเธอแนะนําบริษัทอย่างไรท่านพระอุปเสศน์วังคันตบุตรกราบทูลว่า ข้าพระพุทธเจ้าบอกผู้มาขออุปสมบทกับข้าพระพุทธเจ้าว่าฉันถืออยู่ป่าเป็นวัดถือเที่ยวบินธบาตเป็นวัดถือทรงผ้าบางสุกุลเป็นวัดถ้าเธอจกถืออยู่ป่าเป็นวัดถือเที่ยวบิณธบาตเป็นวัดถือทรงผ้าบังสุขุลเป็นวัดฉันก็จะให้เธออุปสมบทถ้าเขารับคําของข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าก็ให้อุปสมบทถ้าไม่รับคําก็จะให้อุปสมบท ข้าพระพุทธเจ้าบอกภิกษุที่มาขอนิสัยว่าฉันถืออยู่ป่าเป็นวัดถือเที่ยวบินธบาตเป็นวัดถือทรงผ้าบังสุกุลเป็นวัดถ้าเธอจักถืออยู่ป่าเป็นวัดถือเที่ยวบินธบาตเป็นวัดถือทรงผ้าบางสุกุลเป็นวัดฉันจะให้หนิสัยแก่ท่านถ้าภิกษุนั้นรับคําของข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าก็จะให้หนิสัยถ้าไม่รับคําก็จะไม่ให้หนิสัยข้าพระพุทธเจ้าแนะนําบริษัทอย่างนี้พระพุทธเจ้าค่า พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุปเสนะดีแล้วดีแล้วอุปเสนะเธอแนะนําบริษัทดีแล้วเธอรู้กติกาสง์ในกรุงสาวัตถีหรือท่านพระอุปเสณวังคันตบุตรกราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าไม่รู้กติกาของสง์ในกรุงสาวัตถีพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสง์ในกรุงสาวัตถีตั้งกติกากันว่าพระผู้มีพระภาคมีพระประสงค์จะเสด็จลีกเกร้นอยู่ตลอดไร่มาต ใครๆอยากเข้าไปเฝ้าพระองค์ยกเว้นภิกษุผู้นำพัตาหารเข้าไปถวายรูปเดียวภิกษุรูปใดเข้าไปเฝ้าพระภูมิพระภาคพึงให้ภิกษุรูปนั้นแสดงอาบัติปาจิตตีท่านพระอุปเสนวังคันตบุตรกราบทูลว่าทรงในกรุงสาวัตถีจะเปิดเผยตนเองออกมาด้วยกติกาของตนข้าพระพุทธเจ้าจะไม่บัญญัติสิ่งที่พระองค์ไม่ได้ทรงบัญญัติไว้และไม่เพิกถอนสิ่งที่ ท, ทรงบัญญัติไว้แล้ว จะสมาทานประพฤติในสิกขาบทตามที่ทรงบัญญัติไว้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุปเสนะดีแล้วดีแล้วทรงไม่บัญญัติสิ่งที่เราไม่ได้บัญญัติและไม่พึงเพิกถอนสิ่งที่เราบัญญัติไว้พึงสมาทานประพฤติในสิกขาบทตามที่เราบัญญัติไว้อุปเสนะเราอนุญาตให้ภิกษุผู้ถืออยู่ป่าเป็นวัดถือบิณฑบาตเป็นวัดถือทรงผ้าบังสุกุลเป็นวัดเข้ามาเยี่ยมเราได้ตามสะดวก566 สมนั้นภิกษุหลายรูปยืนรอยอยู่นอกสุสุประตูเพราะท่านเหว่าพวกเราจะให้ท่านพระอุปเสศน์วังคันตบทแสดงอาบัติปาจิตตีครั้นท่านพระอุปเสศน์วังคันตบทพร้อมกับบริษัทลุกขึ้นจากอาสนะถวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคทําประทักษิณจากไปภิกษุเหล่านั้นได้ก ล, ล่าวกับท่านพระอุปเสศน์วังคันตบตรว่าท่านทราบกติกาของสงฆ์ในกรงสาวถีหรือท่านพระอุปเสศน์วังคันตบทตอบว่า แม่พระผู้มีพระภาคก็ตรัสเช่นนี้กับผมอย่างนี้เหมือนกันว่าอุปเสนะเธอรู้กติกาของสงในกรุงสาวัตถีหรือผมก็ทูลตอบว่าข้าพระพุทธเจ้าไม่ทราบกติกาสง์ในกรุงสาวัตถีพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุปเสนะก็กติกาที่สงในกรุงสาวัตถีทําไว้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงประสงค์จะเสด็จหลีกเร้นอยู่พระองค์เดียวตลอดไร่มาตรใครๆอยากเข้าไปเฝ้าพระองค์ ยกเว้นภิกษุผู้นำพัทหารไปถวายภิกษุใดเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคภิกษุรูปนั้นแสดงอบัตปาจิตติผมก็กราบทูลว่าพระสงฆ์ในกรุงสาวัสดีจะเปิดเผยตนเองออกมาด้วยกติกาของตนข้าพระพุทธเจ้าจะไม่บัญญัติสิ่งที่พระพุทธองค์มิได้ดทรงบรัญญัติและจะไม่ทอนสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงบรัญญัติไว้แล้วจะสมาทานประพฤติในสิขาบทที่พระพุทธองค์ทรงบรัญญัติไว้ ดังนี้ท่านทั้งหลายพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตไปแล้วว่าภิกษุผู้ถืออยู่ป่าเป็นวัดถือบินธบาตเป็นวัดถือทรงผ้าบังสุกุลเป็นวัดเข้าเยี่ยมเราได้ตามสะดวกครั้งนั้นภิกษุเหล่านั้นกล่าวว่าท่านพระอุปเสนวังคันตบุตรกล่าวจริงพระสงฆ์ไม่ควรบัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้ายังไม่ได้ทรงบัญญัติไว้ไม่ควรเพิกถอนสิ่งที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้ พึ่อสมาทานประพฤตินในสีขาบทที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้ภิกษุทั้งหลายพอทราบข่าวว่าพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตให้ภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัดถือบิณฑบาตเป็นวัดถือผ้าบังสุกุลเป็นวัดเข้าเฝ้าได้ตามสะดวกจึงปรารถนาเข้าเฝ้าได้ละทิ้งสันถัดพากันสมาทานอารัญญิกะทุดงบิณฑปาติกะทุดงและบังสุกุลและลิกังขะฆทุดง ต่อมาพระผู้มีพระภาคพร้อมภิกษุจํานวนมากเสด็จประพาสตามเสนาสนะทอดพระเนตรเห็นสันทัดถูกทอดทิ้งไว้ในที่นั้นๆรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายสันทัตที่ถูกทอดทิ้งไว้ในที่นั้นๆเป็นของใครภิกษุเหล่านั้นได้กล่าบทูเนเรื่องนั้นให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบ